ธรรมบทแปลเรื่องพระอุบนวนรนาเทรีภาคที่สเรื่องที่ห4บพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงรรบารมพระเทรีนามว่าอุบบนร น, นาตรัสพระธรรมเทศนานิว่ามะทุวามัญญตีพาโล ยาวะปาปังนะปัจจติยะทาจะปัจจติปาปังอาทะพาโลทุกขังนิคัตติแปลว่าคนผ่านย่อมสำคัญบาปประดุดน้ำผึ้งตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดาบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบทุกข์ตอน พระติรีตั้งความปรารถนาดังได้สดับมาพระติรีนั้นตั้งความปรารถนาไว้แทบบาดมูลของพระพุทธเจ้าประนามว่าปทุมุตตระกระทำบุญทั้งหลายสิ้นแสนกับท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์จุติจากเทวโลกถือปฏิสนธิ ในสกุลเศรษฐีในกรุงสาวัตถีในพุทธุ ป, ปาธการานี้ก็มารดาได้ตั้งชื่อว่าอุบบนว น, นาหรืออุปละว น, นาพราะนางมีผิวเหมือนกลีบอุบลนเขียวต่อมาในการที่นางเจริญไวยาชาและเศรษฐีทั้งหลายในทั่วชมบุตรวีบ ทรงบรรณาการไปสู่สำนักของเศรษฐีด้วยกับว่าขอเศรษฐีจงให้ทิดาแก่เราชื่อว่าคนผู้ไม่ทรงบรรณาการไปไมิได้มีรวมแบบนั้นเศรษฐีคิดว่าเราจะไม่สามารถเอาใจของคนทั้งหมดได้แต่จะทำอุบายสักอย่างหนึง่งเศรษฐีนั้นจึงเรียกทิดามาแล้วกล่าวว่า แม่เจ้าจาักอาจเพื่อบวชไหมคำของบิดาได้เป็นเหมือนน้ามันที่หุงแล้วตั้งร้อยครั้งอันเขารถบนศีรษะเพราะความที่นางมีพบสุดท้ายเพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อฉันจะบวชเศรษฐีนั่นจึงทำสการะเป็นนั้นมากแก่นางแล้ว นำนางไปสู่สำนักนางภิกษุณีทั้งหลายให้บวแล้วตอนพระอุบลวันนาเตรีบัลุพระหรหัตเมื่อนางบวแล้วไม่นานว่าระรักษาลูกดานในโรงอุโบสถถึงแล้วนางตามประทีบกวาดโรงโบสถยืนถือนิมิตแห่งเปลวประทีบ แลดูแล้วแล้วเล่าเล่ลทาทำฌานมีเตโชกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดแล้วกระทำฌานนั้นแหลให้เป็นบาทมบรรลุพระหรา์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาและอภิญญาทั้งหลายแล้วโดยสมัยอื่นพระเทรีนั้นเที่ยวจาริกไปในชนบทกลับมาแล้ว เข้าไปสู่ป่าอันธวันในการนั้นพระศาสดายังไม่ทรงห้ามการอยู่ป่าของพวกนางภิกษุณีครั้งนั้นพวกมนุษย์ทำกระทําตั้งเตียงกั้นม่านไว้ในป่านั้นแกพระเทรีนั้นพระเทรีนั้นเข้าไปบิ น, นาบาตในกรุงสาวัตถีออกมาแล้ว นั น, นทามานพค่มขืนพระเทรีฝายนันทามานบผู้เป็นบุตรแห่งลุงของพระเทรีนั้นมีจิตปฏิพัตตั้งแต่การแห่งพระเทรียังเป็นเลือดสดับความที่พระเทรีมาจึงไปสู่ป่าอันตวันก่อนแต่พระเทรีมาทีเดียวเข้าไปสู่กระท่อม ช่อนอยู่ภายใต้เตียงพอเมื่อพระเทรีมาเข้าไปสู่กระท่อมปิดประตูนั่งลงบนเตียงแล้วเมื่อความมืดในกลองจักสุยังไม่ทันหายเพราะมาจากกลางแดดในภายนอกนั้นถ้ามน์จึงออกมาจากภายใต้เตียงขึ้นเตียงแล้วถูกพระเทรีห้ามอยู่ว่าคนพัน เธออยาชิบหายเลยคนพานเธออยาชิบหายเลยนันทตามานบคมขืนกระทำกรรมอันตนปรารถนาแล้วก็หลีกไปกระนั้นแผ่นดินใหญ่ประดุดว่าไม่อาจจะทรงโทษของเขาไม่ได้แยกออกเป็นสองส่วนแล้วเขาเข้าไปสู่แผ่นดินไปเกิดในอเวจีมหานรกแล้ว ฝ่ายพระเทรีบอกเนื้อความแก่ภิกษุณีตั้งหลายแล้วพวกภิกษุณีแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสนาทรงสดาบเรื่องนั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุภิกษุณีอุบาสก ุบาสิกาผู้ใดผู้หนึ่งเป็นพานเมื่อทำกรรมลามกเป็นผู้ยินดีร่าเริงเป็นประดุษฟูขึ้นฟูขึ้นย่อมทำได้ประดุษบุรุษเคี้ยวกิ่นรสหวานมีจำพวกน้ำพึ่งและน้ำตาลกรดเป็นต้นบางชนิดดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบ อ, อนุสนติจึงตรัสพระกาตานี้ขึ้นบ่า คนผ่านย่อมสำคัญบาปประดุษน้ำพึ่งราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลก็เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนผ่านย่อมประสบทุกข์บาลีว่ามะทุวามัญตีพาโลยาวะปาปังนะปัจจติยะทาจะปัจจติปาปังอะทพาโลทุกขงัง นิคัตติในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามะทุวาแปลว่าประดุดน้ำผึ้งหมายความว่าก็เมื่อคนพานกระทำบาปคืออกุศลธรรมอยู่คำนั้นย่อมปรากฏดุดน้ำผึ้งคือดุดน้ำหวานได้แก่ประดุดหน้าใกล้น่าชอบใจคนพานั้นย่อมประสบบาปนั้นเหมือนน้ำหวาน ด้วยประการชนี้คําว่ายาวะแปลว่าตราบเท่าหมายถึงตลอดการเพียงใดคําว่าปาปังนะปัจจติแปลว่าบาปยังไม่ให้ผลหมายความว่าคนบาลย่อมสําคัญบาปนั้นอย่างนั้นตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลในปัจจุบันหรือในเวลาต่อไปคําว่ายะตาจะ แปลว่าก็เมื่อใดหมายกวามวากก็ในการใดเมื่อคน่า น, นั้นกระทำกรรมกรต่างๆในทิตตธรรมคือได้รับโทษในปัจจุบันหรือเสวยทุกใหญ่ในอบายมีนรกเป็นต้นในสัมปริภพคือในเวลาต่อต่อไปบาปนั้นชื่ว่าย่อมให้ผลในการนั้นคนพา น, นั้นย่อมเข้าถึง คือประสบแต่ความทุกข์ในการจบเทศนาจนเป็นห น, นมากบรรลุเรียผลทั้งหลายมีโสนาปฏิผลเป็นต้นตอนพระกีนาศพไม่ยินดีการมาสุขในสมัยอื่นมหาชนสนทนากันในธรรมสภาว่าแม้พระกีนาศบทั้งหลายจะรอยจะยินดีการมาสุข ยังเสพกามแต่ทำไมจะไม่ซ่องเสพเพราะพระกีนาศพเหล่านั้นไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกมีเนื้อและสตรีระอย่างสดเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้พระกีนาศพเหล่านั้นยังยินดีกามรมาสุขยังเสพกามในที่นั้นเมื่อพระาศาสดามาตรัสามาภิกษุทัหลาย น, นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุกราบดูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระโชขลาพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระกีณาศพทั้งหลายไม่ยินดีการมาสุขไม่เสพกามเหมือนอย่างว่าหยาดน้ําตกลงบนใบบวัวย่อมไม่ติดไม่ตั้งอยู่ย่อมกลิ้งตกไปทีเดียว และเหมือนเมล็ดพันพุ์ประกาศไม่ติดไม่ตั้งอยู่ที่บลายเหล็กแหลมย่อมกลิ่งตกไปแน่แท้ฉันใดกามแม้สองอย่างย่อมไม่ซึมซาบไม่ตั้งอยู่ในจิตของพระกีนาศพฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสื่อปนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสระกถาานี้ในปรามวักบา่า เรากล่าวบุคคลผู้ไม่ติดอยู่ในการทั้งหลายเหมือนน้าไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผากาดไม่ติดอยู่ที่ปลายลแหลมว่าเป็นบรมตอนภิกษุณีควรอยู่ในพระณ ก, ก่อนก็พระสาสดารับสั่งให้เชิญพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลมาแล้วตรัสว่ามหาภพิต แม้กุลนิดาทั้งหลายในพระศาสนานี้และหมู่ญาติอันใหญ่และกองโภคะมาบวชแล้วย่อมอยู่ในป่าเหมือนอย่างกุลบุตรทั้งหลายเหมือนกันคนลามกถูกราคะย่อมแล้วย่อมเบียดเบียนภิกษุณีเหล่านั้นผู้อยู่ในป่าด้วยสามารถแห่งการดูถูกดูหมิ่นบ้างให้ถึงเงินตราย แป่งพระมกชันบ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ควรทําที่อยู่ภายในพระนครแก่มูปิกษุณีพระราชารับว่าสารทุปชก้าเหน่งนี้แล้วรับสั่งให้สร้างที่อยู่เพื่อภิกษุณีสงฆ์ที่ข้างหนึ่งแห่งพระนครจำเดิมแต่นั้นมาพวกภิกษุณีย่อมอยู่ในระแวกบ้านเท่านั้น เรื่องพระอุบลบรรณาเิรี